อันนี้จะให้เราทราบคำของพระศาสดานะแท้ๆนะที่เป็นข้อมูลที่ตกทอดกันมา 2,500 กว่าปนะีปีนี้ครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระศาสดาเราจรึงควรเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาว่าเอ๊ะพระศาสดาเคยสอนอะไรไว้นะ จริงๆแล้วมีเรื่องง่ายๆก็คือเรื่องการรู้ลมหายใจที่พระองค์เรียกอานาปานสติอานาปานสติทําอย่างไรก็แค่หายใจเข้ายาวรู้ออกออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้คือพยายามหยุดคิดหยุดการปรุงแต่งแล้วก็ามารู้ลมหายใจที่กําลังไหลเข้าไหลออกทําแค่นี้เท่านั้นเองถามว่าแล้วมันจะได้อะไร อาตมาก็เคยคิดเหมือนกันมันมนั่งรู้ลมหายใจมันจะโง่หรือเปล่าไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรอยู่แค่รู้ลมหายใจเข้าออกแต่มันจะทําให้เราเนี่ย <c oughs> รู้จักความเป็นตัวเราของเราว่าตัวเราประกอบด้วยอะไรบ้างเวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมจะเห็นว่าจิตที่รู้ลมเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เดี๋ยวหลุดไปคิดนั่นเดี๋ยวหลุดไปคิดอดีตคิดอนาคตหลุดไปรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเดี๋ยวกลับมาลมบ้าง ตรงนี้าถามว่าผู้เจ้าเห็นแล้วได้อะไรจิตของพระองค์ก็เหมือนกับของเราเหมือนกันพระองค์ก็บัญญัติว่าจิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันไม่ได้หยุดเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกการเปลี่ยนเนี่ยพระองค์เรียกวโยปัญญาญติคือมีการเสื่อมมีการแปลเปลี่ยน การเปลี่ยนอีกเรื่อยๆไม่หยุดเปลี่ยนทีเดียวเนี่ยพระองค์เรียกว่าติดตัะอัญทัตตังปัญญายติสภาพธรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเห็นนะดังนั้นเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยบางทีเราลำคาญเวลามันเปลี่ยนแปลงแต่พระศัสดาบัญญัติออกมาได้ว่าธรรมชาตินี้มันเป็นอย่างนี้พระองค์ได้อะไรอีกนั่งดูจิตมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมา พระองค์บอกว่าจิตของเราเนี่ยจะวนอยู่ในสีท่านเนี่ยไม่รู้เลยไปจากสีท่านนี้แน่นอนนะซึ่งเราก็พิสูจน์ได้ด้วยตนเองจิตจะรู้ลมคือกายจากนั้นจะหลุดไปเช่นคิดอดีตคือสัญญาขันหลุดไปจะไปคิดอนาคตสังขารขันจะหลุดไปเวทนาคือรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเดี๋ยวจะกลับมาลมมันจะวนอยู่แค่สีท่านนี้เนี่ย ยัจะนั่งไปกี่สิบปีก็ตามจิตจะทำงานอย่างนี้พระองค์บัญญัติอะไรบัญญัติวิญญาณทีติทีติแปลว่าฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของวิญญาณจะมีอยู่สีธรรมชาติเห็นนะเริ่มรู้มากขึ้นแล้วนะแค่นั่งรู้ลมเฉยๆเนี่ยนะจะรู้จักว่าลมหายใจไม่มีชีวิตอะไรนะลมพัดไปมาเราก็ดึงเข้าไปในกายเราไหลออกมา ใครเป็นคนรู้ว่าลมกําลังไหลเข้าไหลออกนั่นคือจิตหรือวิญ ญ, ญาณขันเรารู้จักวิญญาณแล้วพระศาสดาบอกว่าจิตมโนวิญญาณอันเดียวกัน <c oughs> <c oughs> นะลองไปดูพระสูตรที่พระองค์มีมัสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้า ง, างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนะ จิตมโนวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนั่นคือจิตพระองค์ก็เหมือนกับเราแล้วพระองค์ก็นั่งดูนั่งดูดูดไปเลยก็บัญญัติมาข้อมูลเหล่านี้ที่ขึ้นให้พวกเราดูนี่คือบาลีสยามรัฐนะเล่ม น, นี้สองสี่หกแปดนะเป็นการพิมพ์ครั้งที่สองนะทำครั้งแรกในสมัยราชการที่ห้าสองสี่สามหกนะแปลจากอักษรขอมมาเป็นอักษรสยาม รัชการที่ห้าเนี่ยให้พระร้อยกว่าลูกทั่วประเทศนะแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามแล้วก็ถึงจะปรับมาเป็นภาษาไทยที่ของมหากรุฎมหาจุฬาเนี่ยใช้นะทั้งหมดออกมาจากตัวนี้นะ <c oughs> ส่วนตัวอักษรขอออกมาจากไหนออกมาจากที่รัชการที่หนึ่งทำเอาไว้ให้พระร้อยสองร้อยกว่าลูกทั่วประเทศประชุมกันที่วัดพระศีสรรเพชญ์นะ ช่วยกันลอกพระเจริญดอกใหม่เพราะที่ยุธยาถูกเผาหมดแล้วก็เลยยืมพระเจริดกจัดประเทศลาวและประเทศรามันมาแล้วนั่งลอกใหม่กันหมดใช้เวลาหกเดือนทําเสร็จราชการที่หนึ่งกับ น, น้องของท่านเนี่ยไปถวายอาหารเช้ากับพระสองร้อยกว่ารูปนี้ทุกวันและถวายน้นําปานาในตอนเย็นตลอดเวลาหกเดือนนะงานนี้จึงเสร็จคือบาเลอกซอนคอมนะและรอห้าใช้ตัวนี้มาทําเป็นบาเลียมรัฐ เป็นอักขระภาษาไทยลองไปดูภาษาไทยนะตัวนี้นะคือบาลีสามลัที่พิมพ์ครั้งแรกและรอห้าเนี่ยพิมพ์แจกจ่ายไปสองร้อยหกสิบกว่าแห่งทั่วโลกและแจกจ่ายไปวัดวารามทั่วประเทศส่วนประเทศในแถบสุวรรณภูมินั้นเอามาจากสมัยพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยส่งสมณทูตไปเก้าสายกระจายไปทั่วโลกที่หนึงมาในสุวรรณภูมิ ประเทศเราก็ได้เก็บข้อมูลเอาไว้ดังนั้นข้อมูลที่ขึ้นจอให้พวกเราดูเนี่ยเป็นข้อมูลที่เอามาจากยุคพระเจ้าโศกเลยอันนี้เป็นสาวินาโศกที่สลักด้วย อ, อักษรพมีภาษาประจิตนะอยู่ประมาณยุคไหนสองร้อยปีหลังพระเจ้าปรินิพานอันนี้ให้เราทราบที่มาที่ไปของพุทธศาสนาว่ามีการสืบทอดคําสอนกันมาอย่างนี้ ด้วยความเพียรพยายามของสาวกทั้งหลายที่ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาคำของพระศาสดาคำของหลันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกหนทางให้เข้าสู่ความไม่ตายเอาไว้นะหนทางสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะอย่างไม่มีข้อผิดพลาดดังนั้นเราทราบว่าจิตของเราเกิดดับตลอดเวลานะทนี้พระองค์บัญญัติอะไรได้อีก ขณะที่เรานั่งดู <c oughs> ลมหายใจเข้าออกจิตหลุดไปปั๊บเนี่ยเราสังเกตไหมว่าขณะที่จิตหลุดไปคิดเช่นเรื่องอดีตเมื่อวานกําลังไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อย่างนี้ขณะที่เราคิดเรื่องอดีตเนี่ยลมหายใจที่รู้อยู่เนี่ยดับไปนามธรรมาคือความคิดอดีตเกิดขึ้นมันเป็นช่วงขณะจิตที่เร็วมากฮะ ต, ต้องสังเกตดีๆแล้วเราเลินคิดอดีตเลินไปเราดึงกลับมาลมหายใจ ความคิดระก่ดับไปลมหายใจเกิดขึ้นอีกครั้งอันเนี้คือการเกิดดับของรูปนามเห็นนะพระองค์แค่รู้ลมหายใจเข้าออกเห็นหมดทุกอย่างบัญญัตริรูปนามเกิดดับยังไง ร, รูปนามเกิดเพราะจิตเข้าไปรู้วิญญาณเข้าไปรู้วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยปับ๊บรูปเกิดนามเกิดวิญญาณเกิดเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะถ้าวิญญาณดับนามดับ นะรูปนามจะเกิดดับพร้อมวิญญาณตลอดเวลาเลยเห็นนะนี่คือกระบวนการของความเป็นอัตตาตัวตนของเราวะตัวตนของเราเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างพระองค์จึงมันอยากขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเป็นคนเข้าไปวนรู้ในสี่ท่านนี้อย่างนี้เห็นนะแค่นั่งดูลงไหลใจเข้าออกเหมือนไม่ได้อะไรแต่รู้ทุกเรื่องเลยและดูอย่างนี้ไปเรื่อย <c oughs> สามารถทําจิตให้หลุดพ้นจากอสวาได้เพราะเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นรูปเกิดดับเห็นนามเกิดดับเห็นวิญญาณเกิดดับถามว่าเห็นการเกิดการดับแล้วได้อะไรพระองค์บอกว่าถ้าเราเห็นการเกิดการดับของสิ่งใดเราจะสามารถถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งนั้นได้เพราะเราจะเห็นว่ามันกับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกัน ถ้าสถามโคตอุกมาอย่างนี้พระองค์บอกว่าเหมือนบอกเธอเห็นเลกวัดคือคนทำการวัดลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลาดเอาไปเผาไหมสาวกบอกว่าไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรนะก็เพราะว่ามันเป็นกิ่งไม้มันไม่ใช่ตัวเรานงะ ลองไปดูเปรียบเหมือนอะไรอะไรในแควนี้ที่เป็นหญ้าเป็นไม้เป็นกิ่งไม้ใบไม้ที่คนเขาขนไปทิ้งหรือเผาเสียหรือทําตามปัจจัยพวกเธอรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเขาขนเราไปหรือเผาเราหรือทําแก่เราตามปัจจัยของเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าก็เหตุใดเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น เพราะมันไม่ใช่เราแค่นี้เองนั่นคือขณะที่ธรรมชาติที่เราเห็นกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเราไม่ได้หายไปพร้อมกับมันนะแสดงว่ามันกับเราเนี่ยคนละตัวกันมันแตกสลายแล้วแต่เรายังไม่ยังไม่แตกสลายดังนั้นทํายังไงที่เราจะเป็นผู้ที่สังเกตเห็นซึ่งธรรมชาติทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไป คนคนนั้นจะเข้าถึงอมตะคือความไม่ตายเพราะธรรมชาติที่เห็นอยู่ซึ่งการเกิดดับเนี่ยจะเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายนะเป็นอย่างนี้และทั้งหมดนี้เห็นเพราะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองนะนะและถามว่าการรู้ลมหายใจเข้าออกต้องทําเยอะไหมร่างศาสดาขอแค่ชั่วรัทนิมือเดียว <c oughs> เพราะองค์ตว่า ถ้าภิกษุจเจริญอาณาปานสติแม้ช่ชวการพิงลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานฌานคือสมาธินั่นเองนะฌานหนึ่งสองสามสี่เป็นรู ป, ปรสัญญาเป็นสมาธิสี่ขั้นแรกเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่า จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ขอน้อยๆแค่เวลาลัดนิ้วมือนะพระองค์ขอเราน้อยมากนะนั่นคือยองสามารถที่จะรู้ลมหายใจวันหนึ่งเนี่ยช่วการรับนิ้วมือยมสูดเข้าปล่อยออกวันหนึ่งได้แค่นี้ผู้เจ้าก็ชมละนะเพราะไม่ง่ายนะคนค น, นึงจะมารู้ลมหายใจเนี่ย มันนั่งคิดทั้งวันนะ่ะนะปุงแต่งนั่นโน่นนี่นะจิตไม่ค่อยอยู่กับกายน้อยมากนะน้อยมาก <c oughs> การมีจิตอยู่กับกายเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้มีสปิสัมปชัญญะนะเช่นการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูคูแขนเหยียดแขนหยิบบาจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิม้มการอุจจาระปัสสาวะ การมาการไปการนับการตื่นการพูดการ น, นิ่งพระองค์บอกว่าอิริบทใดๆก็ตามที่เราใช้อิริบทอยู่เนี่ยแล้วเรามีความรู้ตัวอยู่ตลอดชื่อว่าเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยเห็นการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงนะเหมือนการละนันทีคือความเพลิน จิตกำลังเพลินกับอารมณ์ปั๊บเรารีบละแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแค่นี้ละความเพลินซะอย่าไปรยากรู้อารมณ์นั้นต่อรีบวางแล้วกลับมารู้ลมหายใจการระลึกได้เนี่ยเรียกสติหรือการละนันทิคือความเพลินนะแล้วตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติคือลมหายใจลมคือกายกายคือลมพระองค์บอกอย่างเดียวกันนะ พระองค์ตรัสว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนั้นยมจเจริญสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายคือการรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกอย่างไหนพระสูตนี้เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายนะ ถามว่ารู้กายได้ประโยชน์อะไรอีกพระองค์บอกว่าชนเหล่าใดบริโภคกายยัตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตนะยมกําลังได้อมตะคือความไม่ตายไม่น่าเชื่อว่าแค่รู้ลมหายใจเข้าออกเฉยๆแค่นี้ไปถึงมรรคผลนิพพานคือความไม่ตายได้นะั <c oughs> ่งพระสุตรนีนะ้ดูก่อนพระสุทั้งหลายนะชนเหล่าใดไม่บริโภคกายยัตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะดูก่อนพิสูจทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายยกตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะนบริโภคคือเอาจิตมาอยู่กับลมนั่นเองนะอีกอันหนึ่งพระองค์บอกอย่าลืมกายนะกายยกตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าเธอลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอกําลังลืมอมตะคือนิพพานนะ อันนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายกายยัตาสติอัญชนเราใดหลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมและถ้าไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเห็นนะสําคัญมากเอาจิตอยู่กับกายดังนั้นข้อมูลที่บันทึกมา 2,500 กว่าปีเห็นนะชัดเจนว่าพระองค์เน้นมากการอยู่กระลมหายใจอยู่กับกายของเรา ดังนั้นโยงคิดอะไรไม่ออกอยากปฏิบัติธรรมปั๊กเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับลมทันทีกี่พูตรแล้วที่จะมายกขึ้นมามันจะสอดรักกันหมดคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะนี่เป็นอย่างนี้นะเห็นประโยชน์ของลมเยอะแล้วนะเดิมเหมือนไม่มีอะไรนะอ่าเหมือนเอ๊ลมหายใจไปรู้มันทาไมนะจริงๆแล้วมีความสำคัญมาก ลองดูว่าพราะองค์ให้รู้ลมหายใจอลองกลับไปดูพระสูตรนในทีที่บอกรู้ลมหายใจชั่วลัดนิ้วมือนะพระองค์บอกว่าถ้าพิสุน ะ, ะเจริญอาณาปานาสติเนี่ยแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเห็นไหมดูก่อนพิกษุทั้งหลายถ้าภิกสุเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือพิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินธบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงพวกกระทําให้มากซึ่งอานาปานสปินั้นเล่าผู้เจ้าไม่มีการพูดเล่นนะผู้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นเรื่องจริงตลอดและจะต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ซึ่งประกอบด้วยประโยชน์เป็นไปพร้อมเพื่อ น, นิพพานดังนั้นเราจะบอกว่าโอ้ลุลมลมหายใจแค่รับนิ้วมือมันจะได้ประโยชน์อะไร การบรรลุธรรมมันชั่วขนาจิตเดียวแค่จิตโยมตั้งมั่นแม้สักนิดหนึ่งแล้วโยมก็สามารถเข้าใจธรรมะทุกอย่างปล่อยวางได้เนี่ยหลุดพ้นได้เลยนะอย่างพระพายยะเนี่ยฟังพระเจ้าเทศทีเดียวบรรลุธรรมเลยอย่างเนี้ยนั้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นจิตแต่ละคนเนี่ยอินทรีย์บา ร, รมีไม่เท่ากันบางคนฟังธรรมะปุ๊บเนี่ยเข้าใจละนะปล่อยวาง ดังนั้นคนบางคนที่ฟังทุเจ้าแอแสดงธรรมเกิดมีศรัทธามองแล้วว่ า, า, วาคารวะครับแค่เป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขับดีแล้วเนี่ยกระทาได้ยากในเพศคารวะาก็เลยคิดว่าฉไหนเลยเราจะพึ่งตรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกบวดจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดคนที่ก็มีศรัทธาในทุเจ้าเขาก็จะคิดอย่างนี้ นะเขาเห็นโทษภายในสังสารวัตรเขาว่าบวช ด, ดีกว่านะเขาเริ่มเห็นความจริงเห็นสัจธรรมไปเรื่อยๆนะทีนี้อยากจะชี้ประเด็นเรื่องการรู้ลมหายใจแค่ชั่วลับนิ้วมือปรากฏว่าพระองค์เนี่ยโยงไปถึงการได้มาซึ่งเอกลัษปัจจัยชื่อเสียงกิติยศนะทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงการสิน้นสวะเพราะการกระทำสี่อย่างนะคือหนึ่ง ให้เธอเป็นผู้บริบูรณ์ในศินเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานประอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญาคละวัดงอกงามสี่อย่างนี้หนึ่งในนั้นคือการไม่เหินห่างจากฌานะ <c oughs> อันแรกเนี่ยเป็นผู้บริบูรณ์ในศินนั่นคือถ้าพวกเราเนี่ยบริบูรณ์โดยสินหนะ้าคละวะเนี่ยมีสินห้าเป็นพื้นอย่างที่สอง จึงการประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแผงจิตในภายในคือเป็นผู้ไม่เห็นห่างจากฌานนะไม่เห็นห่างจากฌานมาแี่ก็คือแค่รู้ลมลัดนิ้วมือนะปร <c oughs> ขอพร้อมด้วยวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญาที่เห็นสัจจะของโลกคือการเกิดขึ้นและการดับไปนะอย่างที่สี่ให้สุญญาคละวัดก็งามนะ ก็คือให้เราเนี่ยวิเวกหลีกเล่นบ้านนะมีเวลาเข้าไปเข้าคอสปฏิบัติบ้บานหรือไปวัดอยู่วัดวันสองวันหรือครึ่งวันหรือชั่วโมงสองชั่วโมงเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างนี้นะแกนี้เราทำสี่อย่างเป็นปกติสม่ำเสมอพระองค์บอกว่าเธอปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จสมความปรารถนาตลอดนี่คือเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะดังนั้น เหตุปัจจัยที่ <c oughs> จะทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยทุกคนต้องกลับมาฝึกกายวาจาจิตของตัวเองไม่มีใครส่งผลความเจริญรุ่งเรืองนะให้กับเรานะนอกจากตัวเราเนี่ยฝึกสร้างกรรมดีในตัวเราขึ้นมานะพระองค์จึงบอกว่าถ้าใครคิดว่ากรรมหรือสุดทุกขที่ตัวเราประสบเนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลเนี่ย ครูช้าบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งหรือใครคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่สองกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่สามใครคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากรอยๆขึ้นมาเองปราศจากสาเหตุเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่สี่แล้วตกลงกรรมและสุขทุกข์เกิดจากอะไรพระองค์บอกว่าเกิดจาก ผัสสหรือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอาจจะมองยากนิดนึงว่าเอ๊ะมันไปเกิดยังไงนะอยากสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> ทีนี้มาดูว่ากรรมเนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลผู้เจ้าบอกเป็นไปไม่ได้ความเห็นนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ยังพอจะเข้าใจได้ถ้าเทวดาบันดาลพรบันดาลให้เราเป็นอะไรได้ แล้วใครบรรดาพรมเทวดาอีกต่อหนึ่งนะให้พรมเทวดาที่ตายแล้วไปสู่นรกกาเนิดเรชาหรือเปลืวิสัยเพราะพระองค์บอกว่าเมื่อเทวดาหรือพรมสินน้นอายุไขแล้วเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกําเนิดเรชาหรือเปลืวิสัยเนี่ยดังนั้นกายวาจาจิตของเขานั่นแหละเป็นสิ่งที่นําพาเข้าไปนะตั้งแต่การกระทําในอดีตจนถึงปัจจุบันนะ ท น, นี้ตนเองบรรดา น, นี่ก็ไม่มนะีเราลองไปดูอปฏิจจสมุปบาทนะความเป็นตัวเราเนี่ยพระองค์อธิบายด้วยปฏิจจสุบานะปฏิจจสุบาสายเกิดเรามักจะบอกว่าเราทํานั่นเราทํานี่แต่ป ร, รากฏแล้วเราไม่มีนะเราคืออะไรสัมผัสสลายยต น, นะ สลายโตนาะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมลมนะประกอบกันแล้วเป็นผัสสะคือรูปตาเราสัมผัสรูปอย่างนี้หูกระทบเสียงเนี่ยผัสสะผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาตัณหาอุปทานมีคนเคยถามผู้เจ้าว่าผัสสะเป็นของใครเวทนาเป็นของใครตัณหาเป็นของใครอุปทานเป็นของใครผู้เจ้าบอกไม่มีคนนี้ ผิดมาตั้งแต่คาถามถามผิดนะคาถามที่ถูกต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรเวทนาเกิดจากอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานะหรือเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเกิดจากอายยตนามันกระทบกันจึงมีการสัมผัสเกิดขึ้นและ สัมผัสแล้วมันจะมีเวทนาดังนั้นเวทนาเนี่ยสุขทุกเนี่ยมันจะเกิดจากสัมผัสเช่นตากระทบรูปปั๊บเราจะพอใจไม่พอใจนะกูฟังเสียงเออเพลงนี้เพราะไม่เพราะเนี่ยสัมผัสเกิดปั๊บเวทนาจะเกิดเกิดตั้นหาคือความอยาก อ, อยากได้ซีดีแผ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไหลามาตามธรรมชาตินี่คือธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของไม่มีของใคร <c oughs> อันนี้ก็ลึกไปอีกนิดหนึ่งพระองค์จึงบอกว่า กรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบรรดาลเพราะตนเองก็ไม่มีอันนี้จะลึกนิดหนึ่งมองให้เห็นว่าตัวเรานี้ก็ไม่มีนพระโสดาบันจะต้องวางความเห็นผิดสี่อย่างเหล่านี้ให้ได้คือคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบรรดาลกรรมเกิดจากตนเองบรรดาลกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นหรือกรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนี้โสดาบันจะต้องวางปล่อยวางให้ได้ จะต้องรู้ว่ากรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุเกิดของกรรมนั่นคือวิญญาณเนี่ยเข้าไป ว, วนในสี่ธาตุอย่างที่บอกเมื่อตอนแรกว่าเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจเราจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยวนเข้าไปสี่ธาตุนี้เห็นนะขณะที่วิญญาณเข้าไปรู้รูปนั่นคือสัมผัสกับรูปไปรู้เวทนาคือสัมผัสกับเวทนากรรมเกิดละกรรมเกิดกรรมเกิดในสี่ขันธ์ สี่ขันนี้พระองค์จึงบัญญัติว่ามันคือกรรมกรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยมีจิตวิญญาณเนี่ยเข้าไปรู้นะดังนั้นเหตุเกิดของกรรมจึงเกิดจากผัสสะหรือสัมผัสนั่นเองวิญญาณเข้าไปรับรู้ปั๊บกรรมเกิดวิญญาณดับปั๊บกรรมดับกรรมจึงเกิดดับเหมือนกันกรรมจึงไม่เทีย่ยงนะนี่เราเริ่มเข้าใจเรื่องกรรมมากขึ้นแล้วนะ ดังนั้นกรรมจึงเป็นสิ่งที่แก้ได้นะแต่ต้องแก้อย่างถูกต้องนะเรื่องของกรรมจึงเป็นสิ่งที่บุคล ค, รรบคลควรทราบบุคคลควรทราบเรื่องของกรรมกี่อย่างหกอย่าง <c oughs> อย่างที่หนึ่งพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเจตนาเป็นกรรมนะถ้าไม่มีเจตนาไม่มีกรรมนะ ดังนั้นข้อแรกต้องทราบปอดเลยว่าเราเปล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนี่คำตรัสของพระองค์คำสั้นๆพวกนี้เราสามารถทรงจำไปได้นะถ้าจำได้แล้วต่อไปจะเอาไปไขขุนเรื่องกรรมได้ทุกเรื่องเลยจากนั้นเรื่องที่สองเนี่ยพระองค์บอกว่าเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะนะอย่างที่สามความดับของกรรมคือผัสสะเหมือนกันเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้น อย่างที่สี่ความมีประมาณต่างๆของกรรมเรียกเปรยมาตะตาแห่งกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดได้ชา้าเปรยวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกในมีนะอย่างต่อไปวิบากของกรรมวิบากของกรรมผู้เจ้าให้รู้ในเรื่องของระยะเวลาสามห่วงกรรมที่ทำแล้วเนี่ยส่งผลทันทีเรียกว่าทิฏฐธรรมในปัจจุบัน กรรมที่จะส่งผลในเวลาถัดมาและกรรมที่ส่งผลในเวลาถัดมาอีก <c oughs> อาจจะเป็นพบนาาหน้าชัดหน้าหรือสิบปียี่สิบปีแล้วแต่นี่คือวิบากของกรรมสามระดับและสุดท้ายก็คือกรรมมะนิโรทคามินีปฏิปทาปฏิปทาถึงความสิ้นกรรมอ่อันนี้ที่เราทํากันเยอะที่เราก็ไปแก้กรรมทำอันโน่นอันนี้ นะเพื่อที่จะให้กรรมมันหมดไปตกลงแล้วทำวรับกรรมมันหมดไปจริงหรือเปล่านะถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดกรรมจะหมดได้แต่ถ้าทำวิธีอื่นเนี่ยไม่หมดนะกรรมยังอยู่เหมือนเดิมเพราะวิธีเดียวที่แก้กรรมได้คืออริยะอัตถันคิกามัคนีนั่นเองคือกรร ม, มะนิโรทคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมนะตรงๆเลยนะ ปฏิทาหนทางดําเนินไปใหถึงความดับนี่รืแ่แปลว่าดับกรร ม, มะคือกรรมนะดับของกรรมคืออริยะอัตถังแปลว่าแปดที่กรร ม, มะคือมรคือหนทางอันประเสริฐแปดประการตั้งแต่สัมมาทิฏฐิการเห็นถูกต้องคือเห็นอริยสัจสสัมมาสังกัปปะทิ้งความคิดอกุศลสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคําหยาบเพ้อเจอ้าสอเสียสัมมารกรรมันตคือสิ่งห้าสามข้อแรก นะสัมมาชีวะคือเล่นชีวิตที่ไม่เบียดเบียนสัมมาวายามะคือความเพียรที่ละอกุศลและสร้างกุศลขึ้นสัมมาสติคือตัวสติปัฏฐานสี่กายเวท น, นาจิตธรรมสัมมาสมาธิคือการเข้าชานหนึ่งสองสามสี่แดข้อนี้คือข้อปฏิบัติทางกายวาจาจิตนั่นเองนั่นคือไม่มีใครแก้กรรมให้เราได้นอกจากเราแก้ด้วยตัวเราเองตามหนทาง8ประการเห็นนะั้ม ดังนั้นเราไม่ต้องวิ่งไปหาไข่กนละับมาปฏิบัตมิมรรคแปดเท่านั้นเองสองข้อแรกเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพระธถรมคตบอกเป็นเรื่องของปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลวาจากับกายนะสามข้อท้ายเป็นสมาธิน <c oughs> นะตัวี้เวลาพูดมรรคแปดจะพูดปัญญาศีลสมาธิ ถ้าพูดยอ่อเหลือสามจะพูดสินสมาธิปัญญาถ้าพูดเหลือสองจะพูดสมถะกับวิปัสนานั่นคือปัญญาศินหรือสมาธิอันไหนจะมาก่อนก็ได้ได้หมดนะไม่ต้องไปเลียงศินสมาธิปัญญาถ้าตามมรรคแปดปัญญามาก่อนนะสมาธิจะมาก่อนก็ได้ถ้าพูดสมถะกับวิปัสนาสมถะกับวิปัสนาเป็นสองชื่อแทนมรรคมีองแปด ถามว่าสินหายไปไหนขณะที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิกายวาจาไม่ผิดสินครบแล้วในตัวเสร็จเห็นไหมง่ายอย่างนี้เองนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยปฏิบัติทำง่ายนะอยากปฏิบัติปุ๊บนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะลองไปดูสติปัฏฐานสี่การรู้ลมหายใจเข้าออกพระองค์บอกว่าขณะนั้นเธอกําลังทําความเพียรเผากรีเลอต ม, มีสัมปชัญญะมีสติ เห็นไหมว่าขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำขณะที่เรารู้ลมเนี่ยเราเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสเห็นไหมยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกไม่เพียรเผากิเลสแล้วนะเผากิเลสคืออะไร จิตมันอยากจะไปลั่วลงอื่นเนี่ยยมดึงกลับมาฝืนใจเนี่ยโอ้โหมันฝืนนะใจมันอยากไปคิดเราไม่คิดนะนะเราไม่คิดเราอยู่กับลมโอ้โหเผากิเลสมากเลยนะนี่มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนะัสในโลกออกเสียได้สมัยนั้นณนะขณะนั้นคนคนนั้นนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกได้นะเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่นะสงบสำรวมอินทรีย์นะ เปรียบเหมือนเต่าโคดเอาไวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกความติดตึกในใจไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้ความตายจะทําอันตรายเราไม่ได้แล้วกลับไปดูว่าขณะที่เราตั้งจิตอยู่กายผู้เจ้าบอกเธอกําลังได้อมตตาเห็นน ะ, <ม>ะคําพระผู้มีพระพภาคเจ้าสอนรับกันหมดเลยจะไม่มีการขัดแย้งกันคนเดียวในโลกที่ทําได้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 พระองค์เนี่ยประกาศยืนยันความสามารถของพระองค์ด้วยแล้วคำเทศตลอด45พันศาเนี่ยถ้าเราเข้าไปศึกษานะจะสอนรับกันหมดนะ <c oughs> อย่างในหนังสือเรื่องนี้จะมีเรื่องของ อ, อินทรีย์การสังวรสำรวมอินทรีย์อินทรีย์สังวรเนี่ยเราจะแสดงให้เห็นถึงการสอบ สอดรับกันของคำพระศาสดาซึ่งมีมากกว่า60พระพสูต์นะยมอ่านเล่ม น, นี้แล้วยมจะเห็นว่าโอ้โหคำพู้เจ้าสอดรับกันพูดคนละกาลเวลาคนลสาสถานที่คนล บ, บุคคลต่างปีกันสิ2 0ปีแต่ไม่มีการขัดแย้งกันเลยนะการปฏิบัติภาวนาจะต้องเพียรละละความเพลินละอารมณ์นั้นกลับมาตั้งอยู่กับปัจจุบันตลอดแลวก็โยมทาอย่างนี้ง่าย สถานที่ใดก็ได้แต่งกายอะไรก็ได้อิริยบทใดก็ได้นะไม่จํากัดไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังภาวนาอยู่นะเยิมทำอะไรอยู่ก็กลับมาอยู่ปัจจุบันขับรถให้รู้ว่าขับรถกวาดบ้านรู้ว่ากวาดบ้านล้างจานรู้ว่าล้างจานนั่งรู้ว่านั่งเดินรู้ว่าเดินนอนรู้ว่านอนมีสติสัมปชัญญะตลอดพอแล้วแค่นี้นะ พระ อ, องค์เรียกอย่างนี้ว่าสติอธิษฐานการงานนคือเอาจิตตั้งอยู่กับการงานในปัจจุบันงานโยมก็จะดีด้วยขับรถก็ไม่เผลอไม่งั้นบางทีขับรถใจลอย เ, อเราก็ดึงกลับมาปับ๊บดึงกลับมารู้อยู่การขับรถได้การแความเพลินขนาที่เพลินเนี่ยพระ อ, องค์หมายถึงอะไรอีกรู้ไหมหมายถึงการสร้างพบสถานที่เกิดลึกไปถึงขนาดนั้นนะ ทุกครั้งที่ยงคิดเรื่องอะไรก็ตามนึกคิดเรื่องอะไรก็ตามตอนนั้นนะ่ะวิญญาณออกจากร่างกายเราไปแล้วนะไม่น่าเชื่อนะแต่มันเป็นอย่างนั้นลองไปดูพระสูตรนี้พ <c oughs> ระองค์บอกว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใด <c oughs> ดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะ วิญญาณมันไปตั้งตรงโน้นแล้วนะมันหลุดจากกายเราไปแล้วนะนี่แต่มันชั่วไม่กี่วินาทีไงแล้วมันก็กลบกับมาใหม่เห็นไหมพระองค์ยังบอกว่าเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วในอารมณ์นั้นเนี่ยการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีคือการปรากฏขึ้นของนามรูปจะมีขึ้นและเมื่อการปรากฏขึ้นหรือการก้าวลงแห่งนามรูปนี้เนี่ยพบคือสถานที่เกิดของจิต ชาติชราเมรนะ์ะก็จะตามมาเนี่ยสังสารวัตรของจิตที่ทําให้เราไม่สามารถเนี่ยพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ก็เพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้พระองค์จึงให้เรารีบทิ้งความคิดเนี่ยถ้าทิ้งความคิดไม่ได้ทุกความคิดพระองค์ให้ทิ้งความคิดอกุศลก่อนนะพยาบาลเขาเบียดเบียนเขาโลคความโลคนะรีบวางก่อนรีบวางริดวางฝึกวางไปเรื่อยๆ ต่อไปยมก็จะมีกําลังวางกุศลได้เองอันดับแรกเอาอากุศลออกก่อน <c oughs> ดังนั้นอกุศลนี่ต้องรีบวางให้เร็วด้วยพระองค์บอกอกุศลเกิดขึ้นในจิตแล้วเพราะนั่นคือพบอันเป็นอบายแล้วเห็นไหมถ้าร่างกายเราตายไปในขณะนั้นปั๊บเนี่ยเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานเปรตวิสัยสันนลกทันทีเลยนพระองค์จึงสั่งยังไง เพราะอากุศลเกิดขึ้นแล้วเธอต้องใช้ฉันทะคือความพอใจวายามะคือความเปลี่ยนอุสาหะความพยายามอุโสละยีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปติวานีความเพียนอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อละอกุศลนั่นเสียโดยด่ ว, ดวนเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโกลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบ น, มบนศรีรษะต้องรีบดับใช่ไหมต้องรีบดับให้เร็วเหมือนกันเป๊ะเลยอกุศลเกิดขึ้นต้องรีบดับทันที ใช้ความเพียรทุกอิถีทางเพราะถ้าเราตายขณะนั้นคืออบายลอยอยู่อย่างนี้และการไปเกิดในอบายเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เห็นไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำหนดใดฌานดิเบรทิสยัยมันอยู่เป็นยาวเลยนะถ้าเราหลุดไปกวกเนี่ยอยู่ยาว <c oughs> อยู่ไปยาวแล้วกลับมาเกิดเนี่ยนานไหมพุทธเจ้าบอกนานมากนะนานขนาดไหนสัตว์จํำพวกวิญญาณเนี่ยที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยความนานเกลียบเหมือนอย่างนี้ถ้าโลกใบนี้มีน้ําท่วมถึงกันหมดทั้งใบยมมองไปในทะเลเนี่ยสมมติว่าน้ําท่วมโลกทั้งหมดแตบบ่พุทธเจ้าบอกมีบุรุษคนหนึงหย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นนะลมก็พัด แหกไม่ไผยนี้ไปทิศเหนือใต้ออกตกนะในน้ําเนี่ยที่ท่วงทั้งโลกเนี่ยมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาหายใจทีพระศาสดาบอกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวบอกบอกโอ้โหยากมากนะคงไม่ใช่ง่ายเลยที่จะมา โครจรมาเจอกันได้พระเจ้าบอกนั่นแหละความยากในการที่สัตว์จำพวกวิิบาตเนี่ยจะเปลี่ยนอัตลักขึ้นมาเป็นมนุษย์ดังนั้นตกลงไปแล้วนี่ยาวเลยนะอืมนานเหตุเพราะว่าสัตว์จำพวกวิญญาณมีแต่การเคี้ยวกินกันยังดูพวกเดรชาพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีการงานอาชีพอย่างมนุษย์เนี่ยมันก็สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเนี่ยสัตว์ในทะเล ก, ก็ใครใหญ่ก็สบายไปนะ ขณะที่หาอาหารมันก็ต้องระวังศัตรูมันด้วยนะมันจะกินเขามันก็จะถูกเขากินเหมือนกันจิตของมันจึงมีแต่อกุศลตลอดอืมดังนั้นจึงต้องระวังอาการในจิตทุกคนจึงต้องระวังเองแล้วไม่มีใครช่วยใครได้นะพระองค์จึงบอกต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะไงพึ่งใครไม่ได้เลยย่อจะมาบอกแม่แม่ช่วยละอกุศนในจิตลูกหน่อยสิไม่มีสิทธิ์เลยนะ ทุกคนต้องช่วยตัวเองกพระองค์จึงตรัสว่าอานนท์ในการแบบนี้ก็ดีในการร่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอยู่นะพึ่งใครไม่ได้เลยเราต้องพึ่งตัวเราเองและพึ่งธรรมะที่ถูกต้องคือพุทธวจนะนะ คำจัดของพระตถาคตดังนะนั้นพระองค์จึงบอกว่า <c oughs> พราะองค์สร้างสาระของพระองค์ไว้แล้วนะประตูนครแห่งความไม่ตายเนี่ยพระองค์เปิดกว้างไปแล้วลองไปดูพระสูตรนี้นะ ต้องดูก่อนนี้ซิว่าเป็นยังไงน ะ, ะเพราะองค์บอกว่าทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มารไปไม่ถึงมารแปลว่าความตายและที่ที่มรรตยูคือความตายเนี่ยไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วนะเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้ว เพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสแห่งมารผู้มีบาปตาคตปิดกั้นเสียแล้วกําจัดเสียแล้วทําให้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุลด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันกเกษมจากโยคะเถิะนะนี่คือคำของพระองค์ที่ไพเราะมากนั้น <c oughs> กว่าพระผู้มีพระภาคจ้าจะค้นคว้าเรื่องพวกนี้ได้มีลําบากมาก เราเคยสร้างไหมห ว, ว, ว่าพระองค์เล่าจากระษาลิบุทว่าพระองค์เนี่ยนั่งบนหนามเดินบนหนาม น, นอนบนหนามเพราะไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยจะหลุดพ้นยังไงก็ลองมันไปเรื่อยนะนั่งกลางหิมะตลอดแปดวันที่มาตกในอินเดียไม่มีเสื้อผ้าเลยหนาวที่สุดร้อนที่สุดนั่งตากแดดกลางแจง้งนะกินอุจจระวัวอุจจระควายเป็นอาหารนะนะคิดว่าอ่าอย่างเนี้ยมันต้องบลุดพน้นนะ ทำคนเป็นตัวเปื่อยเปล่านะเป็นชีเปื่อยนอนทับซ่า ก, กองกระดูบนอนในข้อวัวข้อควายกินขี้กินปัสสาวะวัวควายเป็นอาหารแทนอาหารทั่วๆไปพวกเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็เอาไม้มาใช้หูใช้จมูกผู้เจ้าท่านก็บอกเราไม่มีจิตที่จะคิดตําหนิติดเตียนปทุสสายะเข้าเลยแม้แต่น้อยใช้ทําเป็นคนไม่รู้เรื่องนะ คิดว่าอย่างเนี้ยจะหลุดพ้นก็ไม่หลุดพ้นทาตัวเป็นคนแบบว่าหนีมักน้อยสันโดษเจอคนหนีหนีไปเข้าสู่ป่าโน้นไปป่านั้นเจอคนนีกก็หนีไปป่านี้อหนีไปเรื่อยๆ <c oughs> นะไม่หลุดพ้นทาตัวเป็นคนระมัดระวังอย่างยิ่งนะกลัวว่าสัตว์ทั้งหลายจะได้รับการเดียเดเบียนเพราะเราค่อยๆเดินย่อมค่อยๆ ย, ยอ่อมค่อยๆย่ยอมตลอดเลยนะ บอกโดยแม้ยาแห่งน้ําสัตว์เล็กๆทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันจะได้ลําบากก่าเราเลยระวังอย่างยิ่งก็ไม่หลุดพ้นนะนะนั้นที่สุดแล้วก็มาโอตาหารก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพระอมเอามือลูบท้องเนี่ยลูบไปสัมผัสถึงกระดูกสันหลังนะเอามือลูบกระดูกสันหลังสัมผัสถึงหน้าท้องเอามือลูบไปที่แขนเนี่ยเพื่อจะให้เกิดความสบายบ้างขนก็หลุดติดมือมาหมดนะ จะลึกไปปสัสสาวะก็เซยลงพับลงเพราะความไม่มีอาหารพระองค์เลยบอกว่าไม่ได้แล้วนะไม่มีทางบรรลุแน่เลยกลับมากรีนกินอาหารอย่างแล้วก็ระลึกถึงว่าพระองค์เคยนั่งสมาธิแล้วได้ความสงบมีความสุขมากแต่อีกจิตหนึ่งก็คิดว่าความสงบนี้เราควรกลัวไหมเราควรกลัวสุขอันเกิดจากสมาธิหรือไม่พระองค์ก็มาพิณาได้ว่าไม่ควรกลัว นะสุบที่ควรกลัวคือสุบมันเกิดจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่สุบมันเกิดจากสมาธินั้นไม่ควรกลัวอย่างนี้จากนั้นพระองค์ก็เลยนั่งสมาธิเข้าชานหนึ่งสองสามสี่ไปอย่างนี้เพื่อท่านสามารถทําจิตทุรุพลได้นะอันนี้ก็คืออ <c oughs> สิ่งที่พระองค์ได้บําเพ็ญมานะตั้งแต่ยุค ข, ของพระองค์แล้วก็คําสอนได้ถูกถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะ ก็เลยนํามาถ่ายทอดให้พวกเราฟังเพราะว่าความเป็นสมณะสากยะปุตติยะคือบุตรของพระผูงนี้พระภาคเจ้าสมณะในสักยะตระกูลนี่ผู้เจ้าให้เรียกตนเองอย่างนี้ว่าถ้ามีใครมาถามเธอว่าเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราคือสมณะสากยะปุตติยะปุตติยะก็คือบุตรนะบุตรคือลูกนะลูกของสมณะสมณะคือนักบวต สักยะก็คือตระกูลของพระุเจ้านะเป็นบุตรของนักบวชในศากยะตระกูลนั่นเองนะอย่างนี้หน้าที่ของเขาคืออะไรนะประพฤติปฏิบัติทําตนให้หลุดพ้นและประกาศคำของพระสาคตบุคคลที่มาประกาศคำตถาคตเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลกสามจำพวกบุคคลที่หาได้ยากในโลกสามจำพวกหนึ่งอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ผู้ประกาศคำตถาคต 3. ผูม้มีความกระตันยูกตาเวทนะีนั้นวันนี้อาตมาก็มาทำหน้าที่สมณะศักยปริยะเพื่อประกาศคำตถาคตให้พวกเราได้ทราบว่าพระศาสดาเคยพูดอะไรเอาไว้เมื่อ2อ0 0รกว่าปีและผู้ประกาศคำตถาคตยังเป็นหนึ่งในรัตนะ5แก้ว5ประการที่หายายในโลกมีอะไรบ้าง 1. อรัตสัมมาสัมพุทธเจ้า สองผู้ที่ประกาศคำตถาคตสามผู้ที่ประพุติปฏิบัติธ ร, รรมสมควรแก่ธรรมในคำตถาคตสี่ผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคตหา้าผู้มีความกระตันยูกระตะ่เวทนะีนี่คือรัตนห้าแก้วห้าประการที่หาได้ยากกนะ็ให้เราได้เห็นความสำคัญของพุทธวจนะ แล้วก็ประโยชน์ที่เราเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้อะไรนะวิธีง่ายๆรู้ลมหายใจเข้าออกนะไปถึงมรรคผลนิพพานได้มาซึ่งเกจิยศเกจิศักดิ์เอกลัปจัจจัยครบถ้วนทุกเรื่องเลยนะจากนี้มีใครสงสัยจะซักถามอะไรก็เชิญได้นะ <c oughs> คนถือสินห้าแต่สินแปดเหรอในเร่มมักผลใช่ไห ม, อมแอร์เบนหนึ่งลีได้ไหม <c oughs> เข้าศีสาวเดีเย็นมาก <c oughs> สินห้าสินแปด สินห้าและสินแปเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นอุาอบาสกและอุบาสิกาในพุทธศาสนาพรพุทธเจ้าบอกว่าคุณธรรมอะไรที่ทำให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็บอกมาคือสินห้าและอุโบสถแปดประการ น, นะถามว่าต่างกัน <c oughs> มีแง่มุมอะไรที่ต่างกันบ้างเอ ลองดูในมุมของประโยชน์ประโยชน์เพื่อการหลุดพ้นเพื่อความเป็นอริบุคคลเนี่ยสินห้าพอละนะแค่สินห้าเนี่ยเรามวลคู่มีอมโสตบาัญคือคุ่มืสมบัติของความเป็นโสตบัญชีให้ที่พระกาาตรากฎตั้งไว้ห้าสิบสี่ในย้านัยยะหนึ่งจะบอกเรื่องสินห้าบุคคลใดพ้นภัยเวรห้าประการคือสินห้า และมีโสาภาปฏิยังคัตสีคือมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะและมีสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยสองคุณธรรมนี้บวกกันคนคนนั้นสามารถพยากรตนและตนนั่นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นนะไหมนี่คือสินที่เราได้โสดาบันแล้วนะอ่าไม่ต้องแปดก็ได้ในคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันไม่มีสินแปดเลยนะ เราไปดูศีลแปได้ประโยชน์อะไรพระองค์เคยสัตกับหน้าซึ่งลองมาบวชนะเป็นภิกษุแล้วบอกว่าเจ้าเป็นเดรัจฉานไม่มีทางรู้ธรรมะได้ให้กลับไปสู่พพของตนเถิดแล้วให้รักษาอุโบสถแปดประการให้มากนะในทุกวันพระในทุกวันอุโบสถเนี่ยจะเป็นเหตุให้ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ไหวขึ้นนั่นคือตัวอุโบสถแปดประการเนี่ย จะทําให้เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์คือเรื่องอัตภาพความเป็นมนุษย์ได้เพราะตัวสินห้าเนี่ยถ้ามีแค่สินห้ายอย่างเดียวเนี่ยหลุดไปอบายได้เหมือนกันที่มีปริพาชก ค, คนหนึ่งเข้ามาถามพระุทธเจ้าว่าเขาเห็นคนรักษาสินห้าแล้วไปเกิดในอบายคนที่ทําผิดสินห้าไปเกิดบนสวรรค์มันเป็นไปได้ยังไงพระุทธเจ้าไม่ตอบนะจากนั้นข้ามึงก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่า พอรับฟังปริภาชคนนี้ได้ไหมผู้จ้างบอกรับฟังได้เหตุผลเพราะอะไรผู้จ้างเลยบอกอย่างละเอียดว่าอานุ์บุคคลมีสิบธิจำพวกในโลกคนบางคนเนี่ยรักษาสินดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสั่งสมสุตตะนะไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไม่เคยทำสมาธิเนี่ยหลุดไปอบายได้นะ่นะคือเปอร์เซ็นมันน้อยเนียเน่ยแต่มันเป็น ไ, ได้ อันนี้ปริพัชค น, นี้มันไปเอาจุดที่เปอร์เซ็นต์น้อยมาพูดผดีเลยผู้เจ้าเลายนิ่งๆนะไม่ตอบปกติถ้ารักษาสินคือก้างสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยรักษาสภาพคนความเป็นมนุษย์ได้แต่มีหลุดเหมือนกันนะคนบางคนเนี่ยทุสินสินไม่ดีนะแต่เคยฟังธรรมนะสังสมสุดตะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเข้าใจธรรมะฟังได้สดับในคำของพระศาสดา เคยทำสมาธิคุมจิตตัวเองคนนี้พ้นอบายไดแมนะ้สิ่จะไม่ดีก็ตามเห็นไหมน้ำหนักการฟังทำการทำสมาธิมีสูงมากนะัน้นอันนี้จึงเป็นแง่มุมที่ต่างกันระหว่างสินห้ากับสินแปดและตัวสินห้าเนี่ย <c oughs> ถ้าทำผิดมากสิ่งที่เหมือนกันคือไปสูนน่นรกกำเนิดเรชาหรือไปพุสยัยส่วนวิบากอย่างเบาถ้าไม่ได้ผิดเป็นปกติ นะวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์เนี่ยจะทําให้อายุสั้นในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองเนี่ยการรักขโมยเนี่ยเป็นเหตุให้โภคาเสื่อมในข้อที่สามการเมตสุวิชาจาร์เป็นเหตุให้เกิดการก่อเวรด้วยศัตรูศัตรูจะเยอะในข้อที่สี่เนี่ยมุสาวาจะถูกกล่าวตู่ด้วยคําที่ไม่จริงนะถูกสายล้างป้ายสีตลอดนะในข้อที่ห้าเนี่ยวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อวิปลาสนะวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ <c oughs> นี่ก็เรื่องของสินห้าสินแปดนะอ่อเอ่อก็ได้การเหตุปัจจัยนะสิ่งที่น่าจะทำทดแทนกันก็นกคือสมาธิเพราะสมาธิทำครั้งเดียวมีอันนี้สมมากกว่าการรักษาสินเป็นพันพันเท่า <c oughs> อย่างนี้จากนั้นตัวสมาธิเนี่ยจะไปเกือ้อกูลต่อการรักษาสิลงอีกทีหนึ่งเข mm hmm. าเรียกว่ามันจะเป็นไวโพสซึ่งกันและกันดังนั้นเวลาคนไหนเนี่ยสิ่งยังไม่ดีไปทําสมาธิไปเจริญธรรมยาก่อนจากนั้นไอ้ตัวเนี่ยมันจะส่งผลมาให้เราเนี่ยรู้สึกเกรงใจนะอยากจะรักษาสิ่งให้ดีอีกทีหนึ่งอย่างนี้อมันมีช่องทางหลรอกอื้อ ค่าสัตว์ใหญ่อย่างเนี้ค่ายงเนี่ยเราแป๊บเดียวทําลายได้แต่ค่าช้างค่าคนอย่างนี้ยระวางแผนนานเราเตรียมอุปกรณ์อาุสลเนี่ยเสพคบอยู่ในใจเรานานดังนั้นการการฆ่าสัตว์ใหญ่เนี่ยอาคุสมไม่จะอยู่นานอาุศมเสพนานทําหน้ทาทําบ่อยเนี่ยนะบาปการรมก็มากตามไปแต่บาปการรมที่เท่ากันคือหนึ่งดวงจิตต่อหนึ่งดวงจิตนะอย่างเนี้ย ก็วิธีในการแก้ก็คือทำสมาธิจเจริญปัญญาอย่างเนี้ยนั่นอย่างองค์ุลิมาเนี่ยฆ่าคนมาเก้าร้อยกว่าคนหลุดคนได้น่ะแปบ๊บเดียวนั้น เ, เราดูว่าถ้าเราหลีกได้เราก็หลีกถ้าเราหลีกไม่ได้เราไปทําความดีอย่างอื่นชดเชยอย่างศิลปห้าเนี่ยเรื่องการฆ่าเราไม่ได้เราทำสีข้อที่เหลือ ให้ดีอย่างนี้และทําสมาธิให้มากมันเหลือข้อเดียวแล้ะค่อยๆตีกรอบตีกรอบมานะไม่ใช่ว่าข้อเดียวทําไม่ได้ก็ลบมอีกสี่ข้อที่เหลือสมาธิก็ไม่ทําเสียผลพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอต้องฉลาดเป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายเห็นนอะไนเป็นกุศลฉันหยิบ ม, มาทําหมดเลยนะ <c oughs> อย่างเช่นเรายัง เอ๊ะปฏิบัติธรรมยังไม่ค่อยง่าเท่าไหร่บรรลุคงยังไม่บรรลุนะโยมทรงจํำพระสูตรให้ได้ก่อนนะนั่งท่องจําเลยสาธยายทำสวดมนต์หนังสือสาธยายทำเราทําไปให้นะสวดคําพระาศาสดาปฏิจจสูบาทกดอิทัพปัญตานะถามว่าได้ประโยชน์อะไรผู้เจ้าบอกว่าใครทรงจําคํำตถาคตได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น จำได้นะคล่องปา่าขึ้นใจและทังตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพราะองค์บอกแม้เขาจะมีสติหลงหลุ่มทากาละคาสติเวลาตายก็ยังจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในภพของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมในภพของเทวดาเพราะเสียอาการหนึ่งเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมที่เขาเคยทรงจําไว้ให้เองอย่างที่สองเขาจะไปได้ยินพวกพิสูผูมีฤทธ ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทอย่างที่สามพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วเขาไปฟังแล้วเขาจะบรรลุธรรมอย่างที่สี่พวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังนะถึงธรรมะเขาระลึกได้เขาจะบรรลุธรรมเนี่ยนั่นคือแค่ยงจําได้ในอนุสาสนีบริหารมันส่งผลให้เราถึงขนาดนี้เห็นไหมนี่คือยังไม่ได้บรรลุธรรมเนล ะ, อะขอให้จําได้ก่อน ดังนั้นใครที่บอกว่ารู้จําไม่รู้จริงแล้วไม่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่จริงแล้วนะถ้ารู้จําในคำพระตถาคตได้ประโยชน์นะแต่ต้องคล่องปากขึ้นใจนะขึ้นใจเนี่ยนึกมาได้นึกมาปุ๊บไดบอปฏิจจสุบายนีย่เห็นภาพในใจเลยอย่างเงี้ยอ่านะแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือเข้าใจในทุกๆุดวัฏจักรชนะพัฒนาเกิดเวทนาเวทน า, เ, น า, เ, นาเกิดปัญหาเกิดลุปทัยอะไรเนี่ยเราเรื่องเห็นได้หมดเข้าใจ นยตรงนี้จะได้นิสสม น, นะอ่าอ่าะอาอืมอมรีอาจะเอาทรัพย์ของไปองเดียวกันนสามีมาได้เยอไปาทีมเกิดรนคบคัอ่าสามีเอาพย์ของภรรยาไปใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์กับครอบครัวนะฮะมัน <c oughs> มีอย่างนี้ว่าในกรณีของโดยหลักแล้วการถือทรัพย์อันเจ้า ข, ของไม่ได้ให้เนี่ยนะ่ะเป็นส่วนจุลกรรมนะ่ะจากบ้างก็ดีจากป่าก็ดีนะพระราชาจับโจรไ้แล้วข้าเสียบ้างจําขังไว้บ้างในประเทศเสียบ้างนะด้วยกับทุกป้าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนผ่านเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นคนขโมยดังนี้อย่างเนี้ย แต่ตรงนี้มันจะมีอีกสองสองประเด็นนะหนึ่งประเด็นการถือวิสาสะด้วยการนะรู้จักการได้เห็นการได้เคยคบค้ากันมาก่อนอันนี้เราถือวิสาสะเอามาก่อนได้นะอีกอันหนึ่งเรียกว่าการถือบรรสกุลสัญญาว่าเราคิดว่าของเนี้ยเขาไม่ใช้แล้วนะของที่เขาไม่ใช้เราก็เอามาใช้นะโดยที่ว่า เราไม่คิดว่าเป็นของใครนะอันนี้ไม่จัดว่าเป็นขโมยเช่นพระเดินไปตามถนนนทางแล้วเจอเศษผ้าตกอยู่นะเราก็เก็บมาได้ไม่ถือว่าพระขโมยนะอย่างนี้นั่นคือโยมาจะใช้กรณีของอถือวิสาสะหรือว่าพ่อแม่เนี่ยซื้ออาหารมากล่าว่าเดี๋ยวจะไปใส่บาสหน่อยนะปรากฏว่า ลูกเรามาเปิดตู้เย็นคว้าไปกินใช่ไหมลูกถือวิสาสะใช่ไหมแต่ลูกก็คิดว่าไม่เป็นไรของพ่อนะเขาแม่เรานะ <c oughs> ก็เป็นส่วนที่เป็นเหมือนวิบากยำเบานิดหน่อยน ะ, อะไม่มากน <c oughs> <c oughs> ักมี่องหนึ่งที่อยากให้ทราบ ค, คิดว่าคงจะยังไม่ได้เคยบอกในที่นี้ คือคําว่าวิญญาณเวียนไหวใจเกิดเนี่ยไม่มีพระสาราไม่เคยพูดเอาไว้นะคิดว่าคงจะอไม่ตรงกับความเห็นเราความสมควรเพราะเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าวิญญาณเวียนไหวใจเกิดอาตมาก็เช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่า่ภิกษุชื่อสาติพูดว่าวิญญาณเวียนไหวใจเกิดถูกพระเจ้าตำหนิว่าเธอเป็นโมคบุรุษนะและพระเจ้าถามว่าเธอ ได้ยินมาที่ไหนตาถาคตเคยแสดงธรรมนี้กับใครผู้เจ้าไม่เคยพูดลองไปดูพรสุดนี้ <c oughs> ผู้เจ้าเลยเลอกสาติมาสอบสวนและสั่งประชุมสงฆ์และถามสาติว่าสาติวิญญาณ น, นั้นเป็นอย่างไรถ้าแต่เพื่อนที่จะเลยนั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูดผู้รู้สึกซึ่งเสวยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหมายในพบนั้นน่นน่าจะถูกนะเห็นไหมผู้เจ้าว่าเลยโมฆบุรุษ เธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าไหนตถาคตเคยแสดงเมื่ อ, อไหร่อย่างนี้เรากล่าววิ ญ, ญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุปปหะธรรมโดยปริยายเป็นอันมากบนจาดปัจจัยปัจเวหเหตุแล้วเนี่ยความเกิดขึ้นแห่งวิ ญ, ญญาณไม่ได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือโมฆบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตูเราด้วยถ้ธรรมที่ตนเองถือเอาผิดกล่าวตูพระาศาสนานะ ตัวเองถือท่านทาผิดนะย่อมขุดตัวเองด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอนมากด้วยข้อนั้นแหละจัดเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานเราผู้ที่วิญญาณเรียนไม่ตายเกิดเนี่ยประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอนมากเลยนะเป็นไปเพื่อความทุกข์ด้วยเพราะอะไรเพราะจะทําให้เราคิดว่าวิญญาณไม่ตายวิญญาณเป็นนิจจังวิญญาณอยู่ตลอดซึ่งจริงๆแล้ววิญญาณเกิดดับ ทำให้เราจะเข้าถึงอมตะธรรมไม่ได้เราจรึงต้องประสบความทุกข์ในสังสารวัฏไปตลอดกาลเนี่ยเพราะเราจะแกะเข้าสู่ธรรมะชั้นลึกไม่ได้อืมแล้วตกลงใครเรียนไหวไตเกิดเนี่ยนะการเรียนไหวไตายเกิดมีไหมและใครเป็นคนเรียนไหวไตเกิด <c oughs> ไปดูข้ะสูตรนี้ว่าพระอบอกสัตว์เป็นผู้เรียนไหวไตายเกิดนะสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องก้านตันหาเป็นเครื่องผูกลั่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏ นะภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายอดูตั้งแต่แรกเลยเปรียบเหมือ น, นท่อนไม้อันบุกวนสัตว์ขึ้นไปสู่อากาศบางคราวเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้สันใดภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องกา้านอวิชาคือความไม่รู้มีปัญหาความอยากเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตรก็ทํานองเดียวกัน บางคราวเล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็นซึ่งอริสัตย์ทั้งสี่พระองค์ไม่ได้บอกว่าวิญญาณแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่นะพระองค์บอกสัตว์สัตว์แล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏเราใช้คําผิดจากพระองค์และสัตว์คืออะไรไปดูเดี๋ยวมันจะเชื่อมกับวิญญาณอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ไปดูข้อสุดนี้ ถ้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญราชะเขาถามนี่คนเราห่วงเวลาคนละคนละคนอีกนะอแต่คําจะมาเชื่อมกันพอดีที่เรียกกันว่าสัตว์สัตว์ตดังนี้อันว่าสัตว์มีดั่งด้วยเหตุเป็นเท่าไรราาาหร่พระเจ้าค้าสัตว์นี้ในบาลีใช้คําว่าสัตตานังนะหมายถึงสัตว์ราชะความพอใจอใดการที่เราไปพอใจมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยความพอใจใดพระองค์ไม่พูดเรื่องประทานเห็นนะมไม่พูดว่าใคร ความพอใจอันใดราคาอันใดนันที่คือความเพลินอันใดตัณหาคือความอยากอันใดมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายในวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้เห็นไหมมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งไปเพลินพอใจในขันทั้งห้าการเข้าไปติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยพระองค์เรียกไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งที่ไปติดขันทั้ว่าเรียกว่าสัตว์ เห็นไหมอ่าดังนั้นมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเข้าไปหลงยึดกันว่าสัตว์จึงไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่ใช่สัตว์จึงไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดมีแต่สัตว์เพปยนว่ายตายเกิดเห็นไหมอ่าและจริงๆทุกคนคือสัตว์เพราะทุกคนกําลังเวียนว่ายในสังสารวัตพรมก็เป็นสัตว์เทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์สัตตานันนี่เป็นอย่างนี้สัตว์นี่แหละเป็นคนเข้าไปหลงวิญญาณ เป็นคนเล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเห็นนะมชาวพุทธต้องพูดใหม่อีกแล้วนะการเข้ามาศึกษาพุทธศาสนะทำให้เราได้รู้จักความจริงอีกหลายอย่างนไะห <c oughs> ลงดูตรงนี้อุปมาน่ารักดีราคาเปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆหรือกุมารมีน้อยๆ เริ่มเือนน้อยที่ทํำด้วยดินอยู่ตราบได้ที่เขายังมีราคะมีขันทะมีความรักมีความกระหายมีความร่าเรอนมีตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทํำด้วยดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยนั้นย่อมอะไรเรือนน้อยที่ทํำด้วยดินเหล่านั้นเนี่ยร่างกายพวกเหล่านี่แหละย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทํำด้วยดินเหล่านั้นย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทํำด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ เราจะยึดตัวเราว่าเป็นของเราเห็นไหปราภะแต่เมื่อใดแลพวกกุมาร น, น้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเหล่านั้นมีราคะไปปราดแล้วคือหมดนะปราดฉจากนั่นเองมีสันท้าความรักความกระหายไปปราดแล้วความร้อนร้อนไปปราดแล้วนะในเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินเหล่านั้นในการนั้งแหละพวกเขาย่อมทําเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินเหล่านั้น ให้กระจัดกระจายเรี่ยายเปล่ยนผลไปทําให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดนะก็เหมือนกันขันท้าพระองค์จึงบอกให้เราเนี่ยลองดูต่อไปให้กระจายขันท่าอย่างถูกวิธีอุปมาีกก็ฉันนั้นคือแม้พวกเธอทั้งหลายจงเรี่ยายกระจายออกซึ่งรูปเบทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจงกระจัดเสียให้ถูกวิธีจงทาให้แหลกลานโดยถูกวิธี จงทําให้จบการเล่นให้ถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิดนะโอ้โ oh ห oh. กัดเล็กซึงมากนะ <c oughs> มาชอบอุปาอุปมานี่เปรียบเทียบน่ารักดีเหมือนเด็กๆ เ, เลยนึกถึงในเวลาเราเด็กๆ เ, เราเล่นดินเล่นทรายไปนเอาเท้ามือเปะกระจาย <c oughs> นะ อเควาอ๋อเออฮะอ่า huh. อ uh ่า huh. uh huh. อ่านเครับาไ้งัดให้พระอาจารย์เนย้ทประการที่เจ pues um ้าตััดแจะได้ทุกอย่างช่ทป็คใช่บาลคโาอ่บาลเอะาเขาเข้าใจนเหมือนกัอาจารย์ยืนไปอ่าคือคือเหตุของการมีการบนบาลเพราะเขาเข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งว่า กรรมหรือสุดทุกข์นี่เกิดจากผู้อื่นบันดาล น, นี่ไงดังนั้นเมื่อเขาคิดว่าใครบันดาลอะไรให้ได้เขาจึงมีการอ้อนวอนมีการบูชาแต่จิตที่บูชาเนี่ยจัดเป็นสมาธิติเบื้องต้นดีกว่าไม่บูชาอะไรเลยนะอันนี้เพื่อเพื่อให้เข้าใจเพราะคนที่ยังบูชาอยู่เนี่ยจะเป็นคนส่วนใหญ่คนที่ไม่บูชาอะไรเลยเนี่ยมีไม่มากนะ เราไปดูชาวป่าชาวเขาก็ลงกระเลียงคนแอฟริกาบูชาเทพพระเจ้าหมดใช่ไหมจิตสแสวงหาที่พึ่งนะจะเป็นคนกลุ่มที่สองส่วนคนกลุ่มที่สาม <c oughs> จะเป็นบุคคลผู้อมีที่พึ่งถูกต้องแล้วคือพึ่งพระรัตนตรยัยคนพวกนี้ก็น้อยไอ้พวกไม่มีที่พึ่งอะไรเลยก็ก็น้อยคนที่สแสวงหาที่พึ่งนเยอะนะ ท่านี้การสแสวงหาที่พุ่งการบูชาเนี่ยพวกองค์จะแยกไปอีกสองอีกนะการบูชาแบบหนึ่งเนี่ยสัตว์ล้มตายการบูชาแบบหนึ่งสัตว์ไม่ล้มตายการบูชาที่ทําสัตว์ให้ล้มตายเนี่ยเป็นไปเพื่อนรกในเดชานไปวิสัยส่วนการบูชาที่ทําสัตว์ไม่ล้มไม่ทําให้สัตว์ล้มตายเนี่ยอาจเป็นไปเพื่อสุขสีโลกสวรรค์ได้และคนกลุ่ม น, นี้จะ <c oughs> อจะมีจิตเป็นกุศลมากกว่าอกุศลเนี่ย ก็เขาจะเชื่อว่ากำดีกำช่วงมีโลกนี้โลกหน้ามีก็เลยกลัวบาปไม่กล้าทำบาปมากนะแต่หลุดพ้นได้ไั้ยังไม่ได้ถ้าจะหลุดพ้นได้ต้องคนกลุ่มที่สามคือพึ่งพงะระรัตนตรัยพระองค์จึงบอกว่ามนุษย์เป็นอนมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาสวนป่าบ้างนะป่าไม้บ้างสนศักดิ์สิทธิ์บ้างลู ก, กเจดีบ้างเป็นสารณะนะนะ <c oughs> มนุษย์ทั้งหลายเป็นอนมาก คือความกลัวคุกคามาแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างศวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลุกขเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนมันไม่รู้จะพึ่งอะไรมันรัสโซฮงหาที่พึ่งนะนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทําความกเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากความทุกข์ตั้งกรมได้ ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริสัตย์ทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกเหตุให้เกิดขึ้นเห่งทุกความก้าวล่วงทุกเสียได้และมัจมีงแปดนะนั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้เห็นไหมเพราะนั้นเราต้องมีที่พึ่งถูกต้องและเราจะต้องวางที่พึ่งอื่นทั้งหมดนะ ในจริงๆเราก็คือต้องพึ้นตนและพึ่งธรรมนั่นเองธรรมะที่ออกจากราผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นถ้าคนทราบธรรมะแท้ๆเนี่ยก็จะวางละเรื่องพวกนั้นวางละสวรบค์ก็จะวางละไม่เอาเพราะรู้ว่าไม่ได้ส่งผลอะไรอย่างนี้สุคติของเทวดาคืออะไรคืออยากได้เกิดเป็นมนุษย์นยแปลกไหมมนุษย์อยากเกิดเป็นเทวดาแต่เทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่แปลก ่ะสุคติของเทวดาเขาจะบอกนะขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เถอะอ่าลองไปดูผู้เจ้าเปรียบเทียบเทวดาชั้นดาวดิงกับมนุษย์ว่ามีดีต่างกันอย่างไรลองไปดูพระสูตรนะต่างคนต่างมีดีของกันและกันนะอ่านั้นไม่ใช่ว่าเทวดาดีอย่างเดียวมนุษย์ก็ดีด้วย พระองค์จะเปิดเที่ยมมนุษย์ในชมพูทวีปคือมนุษย์แบบประเภทเราเนี่ยมันจะมีมนุษย์สี่แบบมนุษย์ในชมพูทวีปอุตตรคุรุทวีปอมละโคโยานทวีปปุกพระวิเดห์นะสี่พวก <c oughs> ดูกรพิสุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตตรคุรุทวีปก็เสด็กว่าเทวราชั้นดาวดิลและพวกมนุษย์ในชมพูทวีป ด, ด้วยฐานะสามประการไม่มีทุกหนึ่งไม่มีความหวงแหนหนึ่งมีอายุที่แน่นอนหนึ่งก็คือ ถ้าน้อยปีตายก็ไม่มีการตายในระหว่างไม่ใช่พวกเราแน่นอนนะพวกเรามีตายได้ตลอดเวลานะ <c oughs> ดูกรณ์พิสูจน์ทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรุษอุตรากุุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการนี่แหลต่อไปดาวดึงเทวดาชั้นดาวดึงประเสริฐกว่ามนุษย์ชาวอุตรากุรุทวีปและมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการสามประการคือหนึ่งอายุเป็นทิพย์ นะวันนัดทิศสุทิศนี่เทวดาดาวดินประเสริฐกว่าเราอย่างนี้ทีนี้ไปดูมนุษย์ <c oughs> <c oughs> นะดูกล่องทุกสุ่อทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่ามนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดินโดยฐานะสามคือหนึ่งเป็นผู้กล้ามนุษย์เนี่ยกล้านะสองเป็นผู้มีสติสามเป็นผู้อยู่ประพฤติกรมรมจันทร์อันยอดเยี่ยมนะนี่เรามีดีต่างกัน นะนะนั้นเราฝึกสติได้ดีมีความกล้าแล้วก็ประพฤติปรมจันได้ดีกว่าภพภูมิอื่นทั้งหมดนะ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> ็เลยเทวดานี่อยากเป็นมนุษย์เพราะว่าอยากประพฤติปรมจันและหลุดพ้นไง <c oughs> นะี่ ขั้ตอนเนี่ยจากคนคนนึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยพระเจ้าบอกต้องมีสิบสองขั้นตอนอันดับแรกต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี้ยโสดลงฟังซึ่งธรรมเห็นนะกว่าจะฟังได้นะโยมนะกว่าจะได้มีการฟังธรรมมันต้องมีศรัทธาก่อนและเข้ามาหานะเข้ามานั่งใกล้เงี้ยโสดลงฟังซึ่งธรรมโยมลองดูคนไปวัดนี่ไม่ใช่ว่าจะได้ฟังธรรมง่ายนะบางคนก็ไปถวายทานแล้วกลับเห็นนะ เข้าไปหาเหมือนกันศรัทธาเหมือนกันแต่ไม่ได้ฟังธรรมบางคนเข้าไปแนละ้วเข้าไปนั่งใกล้ยอยู่แต่ไม่เงีย่ยโสวดลงส ด, ดับไปคุยเรื่องอื่นซะใช่ไหมคุยเรื่องการเวงเรื่องนอนเรื่องนี้อะไรแต่อะไ ร, อ, ะไรอ่ะไม่ได้ฟังธรรมอีกแล้วนะอดอีกแล้วเนี่ยจริงต้องโอหูวกว่าจะผ่านแต่ะขั้นตอนนะศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยสวดลงฟังซึ่งธรรมแล้วทรงจำธรรมนั้นไว้ค่อคุ้นพิจารณาในความที่ตนทรงจําไว้ ทำทั้งหลายเนี่ยจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะ <c oughs> ฉันถ้าความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกี้โยมพิสูจน์ปฏิจจสุบาทโยมเริ่มเ อ, อใช่นะภาษาแล้วเกิดพอใจแล้วเกิดความอยากเกิดความยึดเออตรงเนี่ยนะทุกคนพิสูจน์ได้ตรวจได้นะเนี่ยแล้วก็จะพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมคือหาความพอดีว่าเออปฏิบัติพอดีเป็นยังไงพอดีสําหรับสารภาพเราเป็นยังไงนะ เช่นเรายัางทำการงานอยู่เราก็เออใช้สติอธิษฐานการงานใช้หลักธรรมคารวะชั้นเลิศหากินเป็นธรรมไม่เคียดคัดทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแต่ง ป, ปันพกระย์บบำเพ็ญบุญไม่ํำหนัดโมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภพกรัพท์เหล่านั้นง น, นี้สี่ฐานานี้ก็เป็นคารวะาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบรวรชั้นสูงสุดกว่าคาระทั้งหลายในโลก มันแล้วแต่ใครจะฉลาดในการหยิบธรมรมะพระศาสดาไปใช้อย่างเนี้นะทั้งนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีหมดแล้วจากนั้นเนี่ยจะบรรลุธรรมได้อย่างไรพระองค์บอกว่าต้องเวียนสิบสองขั้นตอนนี้ให้มากนะคือต้องปลูกศรัทธาให้แน่นในพระศาสดาต้องมีการเข้าไปหาต้องมีการฟังธรรมตามการอย่างนี้ยนั้นอย่างเราจัดวันนี้ก็อ่าได้มาทําในสิบสองขั้นตอนละใช่ไหม ได้ให้ฟังคำตถาคตนะนานๆทีเอยเราจะได้มาฟังคำตถาคตแล้วก็ได้รู้สัจความจริงจากนั้นเราก็เอาไปถ่ายทอดต่อเราก็จะเป็นหนึ่งในรัตนห้าผู้ประกาศคำตถาคตใช่อ่าเห็นไหเจอใครปุ๊บโยมก็บอกเลยพุทธวจนะเป็นอย่างนี้ใช่มและเราจะเป็นอะไรรู้ไหมเราจะไม่เป็นเราจะไม่เป็นคนสุดท้ายในกัลยาณมวัตของพระองค์ พระองค์จัดจับพระนนวะอานนความคาสูนแห่งกัลยาณวัตนนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้าย <c oughs> แห่งบุรุษทั้งหลายอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตนนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันกระพฤติตามกัลยาณวัฒนที่เราตั้งไวแ้แล้วนี้เราคือสถ า, าคตพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยนะ ดังนั้นวันนี้อาตมาไม่เป็นคนสุดท้ายแล้วอาตมาแจกไปให้โยมหมดแล้วใช่ไหมแล้วโยมกจะต้องไม่เป็นคนสุดท้ายแจกต่ออีกเหมือนกันใช่ไหมลูกเอาไปนี่คํำตถาคตใช่ไหมส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างพระสัทธรรมดํารงได้เพราะเหตุอย่างนี้นะถ่ายทอดให้กันและกันเพื่อไม่ให้ขาดกู๊เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปนี่ความตั้งมั่นพระสัทธรรม ไม่เคยสงสัยประเด็นอะไรอีกออ่อ๋อ ปัญญาแก้กรรมได้ศีล ส, สมาธิปัญญาคือตัวมรรคแมรรคแเป็นวิธีเดียวที่จะใช้แก้กรรมได้แก้กรรมเนี่ยไม่ได้เป็นการไป <c oughs> ไปลบล้านกรรมที่ทำไปแล้วนะแต่เพราะกรรมคือตัวขันห้าเราเนี่ยอยู่ในระบบของมันวิธีแก้คือถอนอุปทานจากความยึดในขันห้าออกมานะโดยการเห็นว่าไอขันห้านัไม่ใช่ตัวเราของเรา ถอนความยึดมั่นออกมาปั๊บเนี่ยกลับไม่มีดังนั้นความเป็นชีวิตจริงๆของพวกเราทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่ขันห้าเนี่ย <c oughs> ความเป็นชีวิตของเราเนี่ยคือตัวสัตว์แต่ถูกเรียกว่าสัตว์เพราะจะมีอวิชชาตราบใดที่เราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติมรรคแปดแล้วสัตว์ผู้นี้จะมีวิชาเกิดขึ้นเมื่อมีวิชาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะถูกเรียกใหม่ว่ามีมุตติยานทัศนะ นั่นคือจริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นวิมุตต์อยู่ในตัวกันทุกคนเพียงแต่มีอวิชชาหลงหลุดเข้ามาในสังสารแล้วออกไม่ได้ไงนะวัดตะมันมันงงอะ่ะขันท่าเนี่ยยึดเข้าไปแล้วมันไม่รู้จะออกยังไงคนที่รู้หนทางออกได้คือดวงจิตที่สร้างบา ร, รมีมาเป็นพระพุทธเจ้าซึ่ง น, นานๆนนจะเกิดขึ้นคนหนึ่งนะแต่ที่เหลือเนี่ยฟังแล้วเข้าใจตามได้ เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยออกได้เหมือนผู้เจ้าเหมือนกัน <c oughs> ดังนั้นทุกคนเนี่ยมีความเป็นวิมุตติอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะแต่จุดที่หลงเข้ามาเพราะนั้นธรรมชาติสองฝั่งเนี่ยฝันะ่งนี้คือวิมุตติฝั่งนี้คือสมมุตนะิเดิเนี่ยเป็นวิมุตติอยู่แล้วแต่ยังไม่มีวิชามีแต่ความพอใจตัวความพอใจจึงหลุดเข้ามาในระบบนี้ระบบของสังสารวัตรคือ สังคต ธ, ธรรมนั้นระบบใหญ่ๆเนี่ยมันมีสองระบบสังคตะคือสมุติอสังคตะคือนิพพานหรือวิมุตตินะเมื่อเรายังไม่มีวิชาไม่รู้มรรคแปดไม่รู้อริสัตถสี่จึงหลุดเข้ามาในระบบนี้นะความพอใจเป็นเหตุให้เข้ามาพอใจในขันธ์ห้าพอวนอยู่ในสังสารนี้ออกไม่ได้กลับเข้ามาสู่สภาวะเดิมตัวนี้ได้จึงต้องได้ฟังธรรมรู้มรรคแปดประพฤติป ฏ, ปฏปิบัติปั๊บ กลับเข้ามาสู่สภาวะเดิมตรงนี้ไม่หลงกลับไปเพราะอะไรเพราะรู้อริสัตย์ ส, สี่แล้วนะจึงอยู่ตรงนี้อย่างถาวรดังนั้นคนที่หลุดพ้นแล้วเพราะมีวิชาแล้วเนี่ยก็จึงไม่กลับเข้ามาตรงนี้อีกดังนั้นในครั้งแรกที่หลุดเข้ามาเนี่ยเพราะไม่มีวิชานั่นเองน ะ, ะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็เลยคล้ายๆกับว่าเราถือของหนักอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ย ความเบามันซ่อนอยู่ในนี้เมื่อเราทิ้งของหนักเนี่ยความเบาไม่ต้องวิ่งหาความเบามีโดยอัตโนมัติวิมุตต์ก็อยู่ในตัวเราอยู่แล้วเพียงแต่เราวางความพอใจในการให้ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นโทษของมันปล่อยวางปั๊บหลุดพ้นนะความเบาเกิดขึ้นเองไม่ต้องวิ่งหาอย่างนี้ ถ้าจะให้หนักเป็นเบาเนี่ยเรียกว่าเราทำ <c oughs> เราทากรรมดีนะแต่ต้องเป็นกรรมดีถ้าละคือกรรมดีมันมีหลายหลายระดับกรรมดีที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมพุทธเจ้าบอกคือการทำสมาธิแประดับนะดังนั้นถ้าโยมเนี่ยสมมติว่าเรารู้โอ้โหเราทากรร ม, มาบานเลยเอย๊จะทำยังไงจะทำให้มันเกิดผลเร็วในปัจจุบันชาตินี้เลยโยมต้องทำสมาธิแประดับ ปฐมฌานทุตยิยฌานตติยฌานจตุตฌานอาการสาราญจายจตนะวิญญาณานฌายจตนะอากินจัญญยาจตนะเนวสัญญานาสัญญาจตนะแต่ระดับนี้ผู้เจ้าบอกนี้เป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันรรทันทีกรรมอื่นคอยไปก่อนแต่ยังไม่หลุดไงยังไม่เข้ า, น, านิพพานแต่ถ้าในสมาธิแต่ระดับนี้โยงตามเห็นการเจ็ดดับขันห้าไปด้วยเนี่ยหลุดพ้นเลย เพราะมันมันพร้อมแล้วที่จะหลุดนะ <c oughs> นี่นี่เป็นระดับของการที่ว่าบรรเทาก่อนไอกรรมที่ไม่ดีไปคอยผลที่หลังนะ <c oughs> มีวิธีแก้หลายแบบนะอ่า <c oughs> เช่น อ่ะกจะปรัทีนาาอะไ่อเป็นจนะที่ก็คนนี้ายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญีอ หมายถึงเราจะจะบอกคนใกล้ชิดรอบข้างเราหรือเราจะบอกต่อสังคมไหมบอกต่อรอบข้างก็เยอาเลยอ๋ออ่ะฮะอ่ก็ต้องให้เขาเป็นเป็นบุคคลผู้ได้ดับในธรรมนะคือคนที่ที่ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมเลยเนี่ยมันจะน้อมมาเพื่อปฏิบัติก็ไม่ได้นะหลายคนที่เขาเ พยายามพาเข้ามาพาคนที่ไม่รู้อะไรเลยคัดค้านต่อศาสนาบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยจิป า, า่ะเข้ามาพบอาัตมาแล้วก็เปลี่ยนได้เยอะมากนะจริงจริ ง, รงที่ผ่านมาเนี่ยอาหันต์เปลี่ยนไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเขาหนะแต่เขาถูกพามาให้พูดคุยกันก็เปลี่ยนพวกคิดไปละสิบกว่าคนแล้วเนี่ยนะ แล้วก็มามาปฏิบัติรักษาศีลภาวนาไปอย่างดีเลยเปลี่ยนคนที่ไม่เอาอะไรเลยกินเหล้าเมายาตลอดนะก็มาโต้กันเขาก็ไม่เชื่อหรอกนะศีลศาสนาอะไรไม่มีอะไรต่ออะไรก็ค่อยๆแก้ความเห็นเข้าไปและคำพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อคนได้ยินแล้วมันจะเป็นคำที่ประกอบด้วยเหตุผลเขาจะจนทีละเขาจะเถียงเถียงถีงถงเ ถ, ถ, ถียงมามันจะหมดคาถาม หมดข้อโต้แยง้งมันแย้งคำผู้เจ้าไม่ออกมันไม่จะหาเหตุผลอะไรมาแยง้งคำผู้เจ้าี่จะปิดรูร่วงหมดเลยกลิ 5, ้งพากนะดังนั้นถ้าเราคล่องเคล่วในคำาศาสดาแล้วเราเอาไปตอบเขาเนี่ยเขาจะหมดหนทางไปอุปปริพาชกทั้งหลายเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าบุรุษมาเจอช้างตกมันเจอกองไฟใหญ่เจองูพิษร้ายยังพอเอาตัวรอดได้ แต่มาเจอสมณะโคดมนี่ไม่รอดนะจนแต้มเลยนะปริพาชโยคนเนี้ยเขาเคยท้าผู้เจนะ้าไงว่ามาโตวาทะาเขาอยากจะโตวาทะกับผู้เจ้าเพราะเขาบอกว่าใครมาโต้วาท่ากับเขาเนี่ยแพ้ราบคาบแม้เสาหินที่ไม่มีชีวิตยังต้องสั่นละลัวนะเพราะว่าวาท่าของเขานะอะ่าและใครโต้วาท่าเขาต้องเหนือยหยดนะอะ่า พว่าพอมาโต้มาท้ากับผ <g ül> ู้เจ้าเงื่อเงือของอคิเวสนะหยดจนได้นะผู้เจ้าบอกนี่ไงเธอเนี่ยเงื่อหยดจากหน้าผากลงสู่ผ้าตกลงสู่พื้นแล้วนะแต่เงื่อเรายังไม่มีสักหยดนะคนที่สุดอธิเวษนะยอมยอมพระศาสดาอุตสาพาเจ้าลิจวีห้าร้อยมาเป็นพยานนะขราวนี้ผู้เจ้าจอดแน่นอนนะอ่าคนะที่สุดแพ้นะ เรื่องนี้สนุกแล้วลองไปอ่านดูนะเราจะได้เห็นภูมิปัญญาว่าโอ้โหพระเจ้าเนี่ยแก้ความเห็นของคนแต่ละคนยังไงที่เข้าใจผิดเห็นผิดในแบบต่างๆนะก็ค่อยๆบอกไปเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญบารมีของเขาด้วยเหตุปัจจัยที่เขาสร้างมา มีคนบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่หนทางก็ยังมีอยู่นะแล้วทาไมบางคนเนี่ยถึงนิพพานบางคนไม่ถึงนิพพานพระพุทธเจ้าก็เลยบอกกับพรามคณคนนั้นว่าเธอเป็นคนที่ชนานาญทางไปเมืองราชฤท์ใช่ไหมเธอก็บอกทางกับคนที่จะไปเป็นอย่างดีทําไมบางคนเนี่ยหลงทางไปบ้างบางคนก็ถึงบางคนก็หลงเขาบอกจะว่าเขาได้ไงเขาเป็นเพียงผู้บอกเขาไม่ใช่เป็นคนเดินพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันบอกตถาคตเป็นเพียงผู้บอก คนเดินต้องตัวเราทุกคนและความสํานึกคนเราไม่เท่ากันคนบางคนเนี่ยต้องเปลี่ยนด้วยม้าสี่จําพวกม้าอาชาในจําพวกแรกเนี่ยเห็นเงาประตัด ก, ก็วิ่งละบางพวกต้องประตัดถึงขุมขนบางพวกประตัดเข้าถึงเนื้อบางพวกต้องประตัดถึงกระดูกพวกแรกคือได้ยินเขาพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมีตนส่งไปในแนวของธรรมะปฏิบัติดีกว่าพวกที่สองเนี่ยยังเฉย ต้องได้เห็นคาตาโอ้โหนี่ตายจริงนะเนี่ยเริ่มปฏิบัติธรรมพวกสามได้ยินได้เห็นเฉยๆต้องคนรอบข้างคนรักพ่อแม่พี่น้องแก่เจ็บตายปฏิบัติกิกาพวกที่สี่เนี่ยเห็นสาอยางเฉยๆต้องตัวเองได้รับทุกข์เจียนตายเองโอ้โหกลตัวแล้วไม่ไหวน ะ, ะเริ่มปฏิบัติเนี่ยทีนี้ความไม่เท่ากันตรงนี้มันเลยทาให้เราทุกข์ไงวะ เอ๊ทำไมเราจูงให้คนนี้ไม่ได้สักทีใช่ไหมเอ่เาก็ต้องวางใจอย่างนี้ด้วยเราให้เครื่องส่งดีที่สุดคือคําพระศาสด า, ศามันก็อยู่ที่เครื่องรับแล้วนะเหตุปัจจัยว่าเขาดีขนาดไหนนะอืมแต่ในในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เครื่องส่งมันก็กระปรอบกระแปร์นะไม่ดีนะมันเป็นคําที่แต่งขึ้นใหม่นะไม่ใช่คําพระตถาคตล้วนๆืม ไอเหตุปัจจัยผู้ฟังก็ไม่ค่อยดีเลยตายกันใหญ่เลยนะบรรลุญาตขึ้นไปเรื่อยๆพ่อผ <c oughs> ้าจานอ่เขาพูดให้ตลุ่ไปเรื่อยอผ้าจานอฮาให้ผาจานลงประตูปฏิหารสามมีจริงอ๋อ อ๋อแหอ่าอแหมจะอืม <c oughs> พระองค์จันไว้กับเกวตตานะถึงปฏิหารสามทีนี้มันต้องแยกนะเรื่องปฏิหารกับเรื่องเดรชาวิชานะให้พวกดูหมอดูเลิกดูยางสะเดาะข้อปลูกเสกเลขกยันให้พวกนี้ผู้จัดเดรชาวิชานะ ไม่ได้ถึงขั้นปฏิหารเลยนะถ้าปฏิหารนี่ต้องเป็นอย่างนี้ปฏิหารสามกับกรัสไว้กับเกวะตะอิทธิปฏิหารนั้นเป็นอย่างไรเกวตะภิกษุในกรณีนี้กระทําอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวนี่อย่างนี้ทําที่กําบังให้เป็นที่แจ้งทําที่แจ้งให้เป็นที่กาําบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่า น, านทะลุฝาทะลุ ก, กําแพงทะลุภูเขา ดุจไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงอยู่ในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินไปได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคูบันลังรู ป, ปรัำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีนิทานุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอานาจทางกายเป็นไปได้ตลอดถึงพรมโลกได้เกวตะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเลื่อใสได้เห็นการแสดงนั้นแล้ว เขาบอกเล่าแก่กุลบุตรบางคน่นะกุลบุตรอื่นบางคนที่ไม่มีศรัทธาเลื่องสายว่าน่าสัจจันทร์นักกุลบุตรผู้ไม่มีศรัทธาเลื่องสายนั้นก็จะพึงตอบว่าวิชาชื่อคันทาลีก็มีอยู่ภิกษุแสดงอิทธิวิธีนั้นด้วยวิชานั้นเท่านั้นนะเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นปริยานท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรก็คนไม่เชื่อไม่เรื่มสายย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อผู้เรื่มสายได้อย่างนั้นไม่ใช่หรือนะเกวตตะ เราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ดังนี้แล้วจึงอึดอัดขยักขยแยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์นะส่วนอาเทศนาปฏิหารแบบสองเป็นอย่างนี้ <c oughs> ภิกษุในกรณีนี้ย่อมทายจิตทายความรู้สึกของจิตทายความตึกความตรองของสัตว์เหล่าอื่นบุคคลเหล่าอื่นได้ว่าใจของท่านเช่นนี้เช่นนี้ใจของท่านมีประการนี้ใจของท่านมีด้วยอาการอย่างนี้นะ นั้นบางคนเนี่ยายใจคนอื่นได้ลักษณะการายใจคนอื่นได้พระองค์เรียกอาเทศนาปฏิหารและก็กจัดเหมือนกันว่าอึดอัดขยะขยัง่งเกวตาเราเห็นโทษในการแสดงอาเทศนาปฏิหารดังนี้แหละจึงอึดอัดขยะขยัง่งเกลียดชังต่ออาเทศนาปฏิหารอันที่สามปฏิหารสามคืออนุสาสนีอนุสาสนีหมายถึงคําพูดที่หลุดออกจากปาก ศาสนาสนิศาสนานังคือคำพูดออกจากปากเป็นอย่างไรเล่าเกวตตาภิกษุในกรณีนี้ย่อมสั่งสอนว่าท่านจงตึกอย่างนี้อย่าตึกอย่างนี้จงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนี้เช่นทําไว้ในใจซึ่งลมหายใจเข้าออกอย่างเนี้ยอย่าทําไว้ในใจซึ่งความคิดอย่างนี้จงละสิ่งสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้แล้วแลอยู่เช่นละอกุศลเสียนะแล้วเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้คืออยู่กับลมหายใจเข้าออกนะนี่คืออนุสาสนีปฏิหาร <c oughs> เกวตตาข้ออื่นยังมีอีกนะตถาคตเกิดขึ้นในโลกนะเป็นอาหานต์รัสรู้ชอบนะสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเนี่ยพระองค์บอกคุณสมบัติของพระองค์ตถาคตนั้นแสดงํามปายเราะในเบื้องต้นท่ากลางที่สุดข้าบดีหรือบุตรขาบดีผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งภายหลังก็ดีได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธานในตถาคต เขาผู้ประกอบด้วยศรัท ธ, ธาย่อมพิจารณาเห็นว่าคาววดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่คนอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบุนโดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดแคลนนั้นไม่กระทำได้โดยง่ายถ้าการะไรเราจะปลงผมและหนวดคลองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้นะ และพิสูจน์ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยโยมผู้เจ้าบอกเธอเข้าถึงอาชีพอะไรรู้ไหมขอทานนะลองไปดูวัสดนุนี้นะเ <c oughs> ระนั้ิสูจน์เนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานเป็นพวกมีอาชีพและแต่อาชีพขอทานต้องไปแก้กฎหมายใหม่มั่งเห็นว่ากฎหมายบอกไม่มีอาชีพนับบวช ด, <c oughs> ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอาชีพต่ำที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทาน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 อีกอย่างหนึ่งกุลบุตรนี้บวชแล้วโดยที่คิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกอย่างเอาแล้วโดยชาติชลาโมนะนั่นคือเขาเห็นโทษภายในสังสารวัตรเขาเลยคิดจะบวชนะแล้วเราก็คือเข้าถึงอาชีพนี้ที่ต่ำที่สุดนะเนี่ยเ <c oughs> ยิมอ่านพุทธวจนะล้สนุกนะได้ประเด็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะอืม เอว่าสมมตจะมีอายุแค่ 5,000 ปีจริง่ครับอ่าเราลองคีว่า 5,000 ปีเราก็ตรวจสอบนะวันนี้เราบรรจุบาลีสามรัฐเข้าไปในคอมเรียบร้อยหมดแล้วนะเราคีย 5,000 ปีเข้าไปแล้วก็กดค้นหานะ ปรากฏว่าไม่มีไปเจออันนี้สองหมืนห้าพันมันมีเลขห้าพันเหมือนกันนะนั้นสุดตังตะเบดกคือตัวนี้เจออันเดียววินัยศูนย์ศูนย์ไม่มีนะนั้นพระองค์ไม่เคยตัดเรื่องห้าพันปีเอาไว้อันนี้สาวกมาพูดกันเองมันมาจากคำพีเริ่มหนึ่งที่บอกว่า <c oughs> ผู้เจ้าเคยบอกว่าถ้าภิกษุณีมีเนี่ยนะ ถ้าศาสนาใจยุตได้พันปีจะเหลือห้าร้อยปีเขาก็เลยบอกว่าหลังจากศาสนาหลังจากพระเจ้าปัิญิพานแล้วเนี่ยพระอราหันต์ก็จะรักษาศาสนาได้พันปีอนาคาได้อีกพันโสดาได้อีกพันสกัดทาคารมีได้พันลักโสดาได้พั น, าาาพ น, พนเป็นสี่พันรวมกับพันปีแรกที่พระเจ้าบอกมันจะอยู่ได้พันปีเป็นห้าพันปีนี่สาวกพูดเราเอง ไม่มีคำตัดของพระตาคต์นี่ที่มาที่ไปของ 5,000 ปีนะนั้นศาสนาจะอยู่ไปเรื่อยๆจับได้พระ อ, องค์บอกจับได้มรรคในองค์แปดจะยังมีอยู่ในโลกจับนั้นยังมีศาสนาอยู่อันนี้ก็ไม่มีใครไปถามผู้เจ้าว่าจะอยู่ได้กี่ปีซึ่งผู้เจ้าก็คง คงไม่เห็นประโยชน์หรืออาจจะเห็นมุมโทษของการระบุเวลาของอายุเอาไว้นะพอใกล้ห้า0ันละเอมันจะเสื่อมละก็จะเกิดความหวั่นไหววุ่นวายนะแต่ถ้าไม่บอกเนี่ย <c oughs> <c oughs> คุมเครื อ, อไว้เฉยๆไว้บอกแค่ว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรของพระองค์ศา ส, สนาของพระองค์เนี่ยนะนั้นทุกคนก็จะขวนขวายขวนขวายที่จะทำให้ศาสนาเนี่ยต่อยอดออกไปต่อยอดออกไปเรื่อยๆ บอกเหตุเพื่อให้ศาสนาเจริญไม่ไม่บอกตัวความสิ้นสุดบอกตัวความสิ้นสุดในลักษณะว่าความสิ้นสุดเนี่ยมีแน่นอนแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะผู้เญ้าจะโหละเอียดอ่อมากคิดหลายตลบเนี่ยนะดังนั้นเวลาผู้เญ้าจะบัญญัติอะไรเนี่ยพระองค์จะกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดนะตัด ก, กับอคิเวสนบอกอคิเวสนะ จำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตรอันเป็นในภายในนะนั้นพระเจ้าเนี่ยจะกําหนดสมาธิทุกครั้งที่จะพูดอะไรมาก็ตามและคํานั้นจะต้องอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาต้องไม่ขัดแย้งกันนะนี่คือความสามารถของพระสัสดาดังนั้นพระองค์จึงไม่อนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยบัญญัติอะไรขึ้นมาใหม่ บอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัตินะภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วจักสมาทานศึกษาในศิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเพราะนั้นภิกษุไม่มีสิทธินะ์บัญญัติอะไรขึ้นมาใหม่นะหรือไปเพิกถอนคำปราศาสดานะ นี่ก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึง่งนะมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมพอดีเวลาแล้วหรือยังเนาะพอดีเวลาแล้วเนาะอ่าแต่งั้นก็อ่าขออนุโมทนากับพวกเราทุกคน มาที่ได้มาตั้งใจสังสมสุตตะในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ขอให้พวกเราทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการในใกล้โดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน